สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภาคหนึ่งพระพุทธศาสนาสามารถช่วยแก้ปัญหาให้กับคนเราได้ทุกอย่างถ้าจะมีปัญหาเกิดขึ้นว่าพระพุทธศาสนาได้ช่วยแก้ปัญหาให้แก่เราอย่างไรบ้างน้อยคนนักที่จะกล้าตอบว่าความจริงพระพุทธศาสนาช่วยแก้ปัญหาให้แก่เราได้ทุกอย่างไม่มีปัญหาอะไรที่คนเราได้รับอยู่ทุกวันนี้ที่พระพุทธศาสนาจะช่วยแก้ให้ไม่ได้ เพราะการที่พระพุทธเจ้าทรงได้พระนามว่าเป็นพระสัมมาสัมพุท ธ, ธานั้นก็เนื่องจากพระองค์ได้ตรัสรู้ถึงความจริงสอย่างคือเรื่องทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์และทางให้ถึงซึ่งความดับทุกข์ซึ่งเรื่องที่ว่านี้เราส่วนมากคุณเคยกันดีที่สุดเพราะได้ยินได้ฟังบ่อยแต่ถึงกรนั้นก็มีน้อยคนมากที่รู้สึกว่าการที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบอริยสัจนั้น ย่อมหมายถึงว่าพระองค์ได้ส่งคนพบวิธีแก้ปัญหาให้กับโลกได้ทุกอย่างการที่คนส่วนมากไม่ซึ้งในเรื่องอริยสัจก็เพราะเขาไม่ซึ้งในเรื่องของชีวิตและเมื่อมาอ่านดูข้อปฏิบัติในเรื่องมักมีองค์8ดคนทั้งหลายก็จะรู้สึกว่าจะเอาเรื่องนี้ไปแก้ปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสังคมและปัญหาเรื่องอื่นได้อย่างไรเขามองไม่เห็นทางเลยคําสอนในเรื่องนี้เป็นสิ่งประเสริฐจริง แต่คนที่จะปฏิบัติตามได้มีจำนวนน้อยมากและเมื่อเราดูตัวอย่างจากพระซึ่งถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติตามมากักมีองค์แปดได้ดีกว่าชาวบ้านก็ยิ่งทำให้รู้สึกว่าจะเอาวิธีการอย่างที่พระปฏิบัติอยู่มาใช้กับคนในโลกเพื่อแก้ปัญหาต่างๆให้กับคนในโลกนั้นไม่มีทางที่จะเป็นไปได้และด้วยเหตุนี้เองคนไทยทั้งที่เป็นชาวพุทธแต่เนื่องจากเป็นชาวพุทธแต่เพียงในนาม เขาม่ถึงเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาฉะนั้นจึงได้หลงเอาแต่วิธีทางตะวันตกมาใช้แก้ปัญหาต่างๆโดยไม่ได้คิดที่จะเอาวิธีทางพระพุทธศาสนามาใช้กันเลยอันที่จริงการแก้ปัญหาทั้งในทางส่วนตัวและในทางสังคมตามวิธีที่ใช้กันอยู่ในวงการของรัฐบาลหรือในหมู่ของประชาชนทั่วไปนั้นก็เป็นวิธีที่ได้ผลหากแต่ว่าผลที่ได้รับนั้น มันไม่ยั่งยืนไม่ค่อยจะแน่นอนแก้กันแล้วก็แก้กันอีกไม่รู้จักสิ้นสุดสรุปแล้วคนทุกวันนี้ไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหนต่างก็ยังช่วยตัวเองให้พ้นจากทุกข์ไม่ได้คนจนก็มีความทุกข์ไปอย่างหนึ่งคนมีเงินก็มีทุกข์ไปอีกอย่างหนึ่งคนโง่หรือที่มีการศึกษาน้อยก็มีทุกข์ไปอีกอย่างหนึ่งคนฉลาดหรือคนที่มีการศึกษาสูงก็มีทุกข์ไปอีกอย่างหนึ่งรวมความแล้วไม่ว่าใคร ยังช่วยตัวเองไม่ได้ทั้งนั้นพระพุทธศาสนาสามารถช่วยแก้ปัญหาให้กับคนได้ทุกอย่างจริงและเป็นการแก้ที่ได้ผลตลอดการและวิธีอันใดซึ่งเป็นของพระพุทธศาสนาเมื่อเรานามาใช้กับตัวเองได้ผลแล้วก็หมายความว่ากับคนอื่นก็ต้องได้ผลด้วยและผลที่จะได้รับนั้นจะติดต่อกันไปทุกๆุกชาติและก็ดีขึ้นโดยลำดับจนถึงขั้นได้ผลโดยสมบูรณ์ เ่าคือแม้แต่ความตายก็ช่วยแก้ปัญหาให้ได้ถ้ามีเราพ้นไปจากความตายได้ก็ในเมื่อแม้ความตายพระพุทธศาสนายังช่วยเราได้ปัญหายังอื่นซึ่งมีความสําคัญน้อยกว่าทำไมจะช่วยแก้ให้ไม่ได้เช่นปัญหาที่คน่วนมาประสบกันอยู่ทุกวันนี้คือความยากจนความเจ็บป่วยและการเบียดเบียนการเลียรูปต่างๆปัญหาทั้งหมดที่ว่านี้ ถ้าหากได้เอาวิธีการทางพระพุทธศาสนามาใช้กันแล้วข้าพเจ้ากล้าวรับรองได้ว่าจะต้องได้ผลอย่างแน่นอนแต่ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้หมายความว่าวิธีการต่างๆที่เราทํากันอยู่ทุกวันนี้และก็ได้ผลอยู่แล้วนั้นไม่ต้องนํามาใช้ตรงกันข้ามถ้าหากเรานําวิธีการทางพระพุทธศาสนามาใช้ด้วยก็จะช่วยส่งเสริมทําให้วิธีการต่างๆที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นการที่จะนำเอาวิธีการทางพระพุทธศาสนามาใช้ว่าจะได้ผลแก่สังคมหรือไม่นั้นคนที่จะรู้แน่และมั่นใจจริงๆก็ตัวเมื่อจะต้องนำวิธีการทางพระพุทธศาสนามาใช้กับตัวเองให้ได้ผลอย่างแท้จริงเสียก่อนเขาจึงจะรู้ว่าเมื่อนำไปใช้กับสังคมก็จะต้องได้ผลเช่นเดียวกัน แต่การที่คนส่วนมากไม่คิดจะเอาวิธีการทางพระพุทธศาสนามาใช้กันเลยนั้นก็เป็นเพราะตัวเองยังไม่เคยได้รับผลจากคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงนั่นเองและอีกประการหนึ่งคนส่วนมากถ้าคิดจะเอาวิธีการทางพระพุทธศาสนามาใช้ก็มักจะต้องนึกถึงเรื่องของพระแล้วรู้สึกทันทีว่าเราทาอย่างพระไม่ได้อันนี้ล่ะเป็นอุปสรรคกายิ่งใหญ่ ที่ทำให้เราไม่คิดที่จะเอาวิธีการทางพระพุทธศาสนามาใช้กับตัวเองและกับสังคมที่ว่าพระพุทธศาสนาสามารถช่วยแก้ปัญหาให้แก่เราได้ทุกอย่างนั้นก็เพราะเหตุว่าคนที่ได้ศึกษาและปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าจนได้ผลแก่ตัวเองแล้วนั้นย่อมจะมีความสบายใจอยู่เสมอและสามารถอดทนต่อเหตุการณ์ได้ทุกอย่างพร้อมทั้งมีความกล้าหาญมีความเสียสละ มีความยุติธรรมและรู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองผลด้านศีลธรรมดังที่กล่าวมานี้เป็นอันหวังได้แน่นอนถ้าหากว่าผู้นั้นศึกษาให้เข้าใจถูกต้องและปฏิบัติได้ถูกต้องซึ่งจะมีผลมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับพื้นฐานเดิมของจิตใจและสิ่งแวดล้อมด้วยผลอีกอันหนึ่งก็คือความเพิ่มพูนของสมถภาพสาหรับคนที่ได้ฝึกฝนในทางสมาธิและวิปัสสนาทุกๆวัน และปฏิบัติได้ผลสมรรถภาพในด้านสติปัญญาจะเพิ่มพูนโดยลำดับถ้าหากคนไหนมีการศึกษามาดีด้วยและฝึกสมาธิได้ดีด้วยคือสามารถทำใจให้สงบและจําสายได้ทุกครั้งที่นั่งสมาธิข้อนี้จะทำให้สมรรถภาพเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดกาลังใจในอันที่จะต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆก็จะมีอยู่เสมอความเบื่อหน่ายหรือความท้อแท้ ก, กับการงานก็อาจจะมีบ้าง ในเมื่อร่างกายไม่สบายหรือในเมื่อพบกับความยุ่งยากเกี่ยวกับการงานหรือเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแต่แล้วมันจะหายไปทุกครั้งในเวลาที่ใจสงบและพร้อมกันนั้นก็จะทำให้มองเห็นทางที่จะแก้ปัญหาต่างๆอีกด้วยความสบายใจหรือความแจ่มใสในเวลาที่นั่งสมาธินั้นมีคุณค่ามากมายเกินกว่าที่จะพูดออกมาเป็นตัวหนังสือได้หมดสิน้นและอันนี้หละที่จะช่วยแก้ปัญหาได้ทุกอย่าง ร้อมท้งศีลธรรมก็จะเกิดขึ้นแก่ตัวเขาเองโดยไม่ต้องมีใครขอหรือมาบังคับแต่จากความเข้าใจในเรื่องของชีวิตที่ค่อยๆลึกซึ้งขึ้นโดยลำดับนั้นจะทำให้เขามองเห็นความจำเป็นที่เขาจะต้องเลิกประพฤติความชั่วและมุง่งนาจะสร้างแต่ความดีให้ยิ่งขึ้นการเพิ่มพูนสมรรถภาพโดยอาศัยวิธีการทางพระพุท ธ, ธศาสนานั้นสาหรับคนที่มีบารมีมาดีตั้งแต่ชาติก่อน ก็อาจจะกลายเป็นอัชีรยาบุคคลขึ้นมาได้ทีเดียวซึ่งหมายความว่าจะทำให้คนคนนั้นมีความสามารถในหน้าที่การงานอย่างชนิดที่หาตัวจับได้ยากและสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ของตัวแม้จะยากสักเพียงใดก็สามารถทำให้สาเร็จรุ่วงไปได้เพราะทางพระพุทธศาสนามีคำอยู่คำหนึ่งคือคาว่าปฏิสัมพิธาแปลว่าความแตกฉาน ปฏิสัมพิทามีอยู่สอย่างคือหนึ่งอัฏฐปฏิสัมพิทาความแตกชานในเรื่องการตีความหมายหรือในการถือเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์คนที่อ่านหนังสือหรือฟังคนอื่นพูดหรือเห็นเหตุการณ์อะไรก็ตามในเมื่อสามารถเข้าใจได้รวดเร็วแล้วรู้จักหยิบเอาสิ่งที่เป็นสาระออกมาได้หรือสามารถอธิบายความหมายได้อย่างเอียทีท้วนเรียกว่าเป็นผู้แตกชานในอัฏ คำว่าอัฏถะหรืออัฏตามศั์แปลว่าประโยชน์ความหมายเนื้อเรื่อง 2. ธรรมะปฏิสัมพิทาความแตกฉานในธรรมะธรรมะหรือธรรมในที่นี้แปลว่าหลักความจริงทฤษฎีหัวข้อเหตุผล คนที่สามารถมองเห็นความจริงในสิ่งต่างๆจนกระทั่งวางหลักหรือเขียนทฤษฎีออกมาได้อธิบายเหตุผลได้สร้างตำราหรือหลักสูตรขึ้นมาได้หรือสร้างหลักการและวิธีการขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วและเอาไปใช้ได้ผลก็คือคนที่มีความแตกฉานในเรื่องนี้ 3. าิรุติปฏิสัมพิทาความแตกฉานในเรื่องภาษา นิรุติแปล ว, ว่าภาษาคนที่ฉลาดในการใช้คำพูดได้เพราะลึกซึ้งความหมายชัดเจนก็คือคนที่แตกฉานในเรื่องนี้ 4. ปฏิพานปฏิสัมพิธาความแตกฉานในเรื่องปฏิพานปฏิพานแปล ว, ว่าการโต้ตอบหรือการแก้ปัญหา แก้ข้อข้องใจคนที่สามารถตอบปัญหาให้กับผู้อื่นได้ว่องไวไม่ติดขัดไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นและสามารถทำให้คนฟังหรือคนที่มีปัญหานั้นเข้าใจได้ง่ายและยอมรับได้ทันทีไม่มีทางที่จะโต้แยง้งหรือเอาชนะได้ก็คือคนที่มีความแตกฉานในเรื่องนี้การฝึกผนให้มีปฏิสัมพิทาดังที่กล่าวมานี้ ทางพระพุทธศาสนา้าใจเรื่องนี้ดีมากและตัวอย่างของคนที่ได้ผลจากการฝึกหัดตามวิธีของพระพุทธศาสนาก็มีมากคนที่ไม่เคยสนใจกับทางพระพุทธศาสนาจึงไม่ทราบแต่เท่าที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ว่าคนที่เรียนทางพระพุทธศาสนามักจะไม่ค่อยฉลาดไม่ทันโลกซึ่งมีอยู่ทั่วไปนั้นนั่นเป็นเพราะคนเหล่านั้นไม่ได้รับการฝึกฝนอย่างถูกต้อง ตามวิธีของพระพุทธศาสนาและเป็นความจริงด้วยว่าไม่ว่าจะเป็นพระหรือคารวาสทั้งที่ได้เคยเรียนทางพระพุทธศาสนามามากแต่ก็ไม่ทราบว่าพระพุทธศาสนาสามารถช่วยสร้างสมรถภาพให้กับคนเราได้อย่างมากมายตามหลักที่กล่าวมาเพราะตัวอย่างจริงๆหาดูได้ยากมากในสมัยปัจจุบันเนื่องจากคนที่จะฝึกฝนให้ได้ผลตามนี้โดยธรรมดาต้องเป็นคนที่มีบา ร, รมีมาเป็นอย่างดีด้วย กล่าวคือพื้นเดิมต้องเป็นคนมีสติปัญญาสูงเคยเกิดเป็นคนฉลาดมาแล้วในชาติก่อ น, อนเคยมีความสามารถทำงานยากๆด้วยการใช้สติปัญญาอย่างสูงมาแล้ววิบากอันนี้จะต้องเคยมีมาแล้วจึงจะสามารถเอามาฝึกให้มีความแตกชันดังที่กล่าวมาแล้วได้แต่อันที่จริงคนที่มีพื้นมาอย่างนี้ทุกวันนี้ก็มีอยู่ไม่น้อยคนเหล่านี้ถ้าหากได้มีโอกาสมาฝึกฝนตามวิธีของพระพุทธศาสนาแล้ว สมรรถภาพจะเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมอีกหลายเท่าทีเดียวคนที่จะสามารถแก้ปัญหาให้กับตัวเองและกับผู้อื่นได้นั้นโดยหลักส่วนใหญ่แล้วตัวเองจะต้องมีความสบายใจอยู่เสมอไม่ว่าจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างไรหรือมีเหตุอะไรเกิดขึ้นซึ่งจะยุ่งยากสักเพียงไรก็ตามก็สามารถทำใจให้สบายได้หลักอันนี้เป็นหลักสาคัญมากซึ่งคนส่วนมากก็ทราบ แต่ก็ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรจึงจะให้มีความสบายใจอยู่เสมอแต่ดูเหมือนว่าคนส่วนมากมักจะคิดว่าถ้าเรามีเงินพอใช้มีความสะดวกในการทำงานหรือในการศึกษามีความเป็นอยู่สะดวกสบายร่างกายสมบูรณ์ได้ทำสิ่งที่พอใจได้อยู่กับคนที่เรารักถ้าอย่างนี้แล้วก็มีความสบายใจถ้าชีวิตของคนไหนไม่มีสิ่งดังกล่าวมานี้ก็มีความไม่สบายใจ คนส่วนมากคิดกันอย่างนี้ซึ่งตามความเป็นจริงแล้วคนเราจะมีความสบายใจหรือไม่สบายใจความสำคัญมันขึ้นอยู่กับจิตใจของตัวเองสิ่งแวดล้อมหรือเหตุการณ์ต่างๆดังที่กล่าวมานั้นมีความสำคัญก็จริงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าคนไหนยากจนหรือสิ่งแวดล้อมไม่ดีแล้วจะหาความสุขไม่ได้ ในทางพระพุทธศาสนามีคำว่าอริยะคำว่าอริยะตามสับแปลว่าคนที่อยู่ห่างไกลจาก่าสึกหรือคนที่เอาชนะค่าสึกได้เด็ดขาดอริแปลว่าค่าสึกยะแปลว่าไกลคำว่าค่าสึกในที่นี้หมายถึงค่าสึกภายในกล่าวคือความทุกข์ในใจและความชั่วร้ายต่างๆในใจ คนที่เป็นอริยะก็คือคนที่สามารถทำใจให้เป็นสุขอยู่ได้เสมอไม่ว่าจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างไรและจิตใจไม่มีทางที่จะตกไปสู่ความชั่วไม่ว่าจะถูกบังคับหรือถูกย่วเยาสักเพียงไรก็ตามจากเรื่องของพระอริยะแสดงให้เห็นว่าทางพระพุทธศาสนาได้ค้นพบวิธีเอาชนะความทุกข์เอาชนะความชั่วได้ผลอย่างแน่นอนแต่คนส่วนมากก็ไม่สนใจ และคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้และไม่ว่าจะดูตัวอย่างจากบุคคลที่อยู่ในวัดคนที่เข้าวัดก็ยังพบว่าบุคคลเหล่านี้ถ้าหากจะมีความสุขก็ต่อเมื่อมีเงินมีสิ่งแวดล้อมดีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ถ้าหากว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ดีก็เห็นยังอยู่ในความเดือดร้อนด้วยกันทั้งนั้นอันที่จริงคนส่วนมากถ้าไม่หวังผลจนเกินไปก็พอจะมองเห็นว่า พระพุทธศาสนาสามารถช่วยแก้ปัญหาต่างๆดังที่กล่าวมาแล้วจริงและโดยความเป็นจริงแล้วคนที่เริ่มเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติได้พอสมควรนั้นเขาจะมีความสุขมีความสบายใจขึ้นกว่าแต่ก่อนแต่ก็อาจจะไม่สบายเท่ากับคนที่เขาเคยสบายอยู่แล้วคนที่พูดว่าพระพุทธศาสนาช่วยอะไรเขาไม่ได้ก็เพราะเขาหวังผลมากเกินไปและอีกประการหนึ่ง ตัวเองก็ไม่เคยทดลองปฏิบัติด้วยตัวเองฉะนั้นจึงดูไม่ออกว่าคนที่เข้าวัดซึ่งท้าหาเขาเข้าไปอย่างถูกต้องแล้วเขาย่อมดีขึ้นกว่าเดิมทุกคนข้อสำคัญอย่าเอาตัวเองเข้าไปเปรียบเทียบในเมื่อตัวเองรู้สึกว่ามีจิตใจสูงกว่ามีความสบายใจมากกว่าเพราะมีสิ่งแวดล้อมดีกว่ามีความเป็นอยู่ดีกว่ามีการศึกษาดีกว่า แต่ถ้าหากจะเอาตัวเองเข้าไปเปรียบเทียบก็ขอให้เอาไปเปรียบเทียบกับตัวเองในสมัยที่ยังไม่เข้าวัดหรือกับคนที่อยู่ในระดับเดียวกันแต่ต่างกันที่ว่าเดี๋ยวนี้เขาเข้าวัดแล้วแต่ตนเองยังไม่เข้าต้องเอาไปเปรียบเทียบกับคนที่เข้าศึกษาและปฏิบัติได้ผลอย่างนี้เท่านั้นจึงจะมองเห็นว่าพระพุทธศาสนาช่วยแก้ปัญหาให้กับตัวเองได้จริงๆแต่อย่างไรก็ตาม คำสอนของพระพุทธเจ้าทุกบทมีลักษณะอย่างนี้กล่าวคือคนที่ศึกษาและปฏิบัติด้วยตนเองเท่านั้นซึ่งในเมื่อการศึกษาและการปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้วเขาก็จะเห็นผลได้ด้วยตัวของเขาเองหรู้แจ้งได้ด้วยตัวของเขาเองการที่คนส่วนมากยังมองไม่เห็นหรือนึกไม่ถึงว่าพระพุทธศาสนาสามารถช่วยแก้ปัญหาให้กับคนเราได้ทุกอย่าง ก็เพราะว่าผลที่จะพึงได้รับเป็นเรื่องในใจของแต่ละบุคคลหยิบเอามาดูให้เห็นกันง่ายๆเหมือนกับสิ่งที่เป็นวัตถุนั้นทำไม่ได้